พุทสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะแต่การสัมสนีสมทธนามาอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่นำเสนอเรื่องอันทันสมัยแล้วก็ความรู้ความบันเทิงอย่างรอบด้านแต่เราเริ่มต้นวันกันด้วยการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะค่ะเราก็ไปกราบนมัส ก, การ พระภิกษุผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้พร้อมทั้งทางด้านของการปฏิบัตินะคะท่านก็ได้ทําการฝึกปฏิบัติผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเป็นอคอร์สที่มีระบบระเบียบทุกๆเดือนก็เท่ากับว่ า, าการที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติพร้อมกับท่านก็ได้ปฏิบัติอย่างยิ่งยวดด้วยนะคะก็ทําให้เรามีโอกาสได้รับคําตอบความกระจ่าง ในข้อสงสัยต่างๆได้อย่างมีคำภาษาสดา ย, ยืนยันนั่นคือพระมหาภัยบูร์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรนธานีนะคะกล่าวนภัษกาศกับท่านคะเจริญพันค่ะเรื่องที่ดิฉันจะถามท่านหรือว่าสนทนากับท่านเรื่องแรกเนี่ยอาจจะค่อนข้างจางลงไปแล้วก็ได้นะคะระผ่านมาสักประมาณกว่าสัปดาห์เนี่ยแต่ก็ยังอยากกลับเรียนถามท่านอยู่ว่า ระยะนี้ทาไมมีเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์เป็นข่าวให้พวกเราเนี่ยรู้สึกโอ้โหพระจะช่วยเราได้ยังไงกับพระอย่างแย่เลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ชักไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วว่าจะไปหาต้นไม้สักต้นสองต้นที่โ ง, งเห้งดีๆพึ่งแล้วนะคะเนี่ยทีนี้ท่านค ะ, อะขอประทานโทษเถอะเรื่องที่จะกล่าวก็คือว่าเรื่องที่พระสงฆ์ถูกฆ่า เหมือน<ช>กั บ, บเราท่านท่านข้าบางทีเราก็นึกพระท่านจะไปมีศัตรูที่ไหนนะคะเนี่ยถูกจ่อยิงขณะที่บินาบาด<ช>แล้วแถมไม่ใช่อยู่ในที่ที่เป็นดินดแดนแห่งคนต่างาศาสนาเป็นส่วนใหญ่ใช่เนอะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของกรรมด้วยเขาคงจะมีส่วนนะคุณโยมติเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเจอศัตรู เนี่ยคือคือแน่นอนยุตัวอย่างเช่นท่านพระองค์กุลีมานราองคุลีมานเนี่ยพอหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมเนี่ยเพราะว่าท่านสร้างกรรมชั่วไปมากเนี่ยพอหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเดิไนไม่ปิบาบเนี่ยหินหรือว่าอะไรที่คนเข้าขวางไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะลอยมาตกที่ตัวท่านอ๋อไม่ได้เข้าขวางตรงไปที่ท่า น, ห, นหรอกคะ่ะก็จะมีส่วนนั้นด้วยนะ แล้วก็ส่วนที่คว้างไปทางอื่นก็จะตกลงมาที่ตัวท่านอีกเหมือนกัน<ม>ส่วนที่คว้างมาตรงก็มีส่วนที่คว้างไปทางอื่นแล้วก็ลงมาโดนก็มีจนกระทั่งจิวอ่าสังกติขาดหัวแตกเลือดอาบอะไรอย่างงี้แพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอออดทนเถอะสมณะอดทนเถปรามเพราะว่าเธอได้เสวยกรรมตรงเนี้ยนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบกับการที่จะต้องไปอยู่ในนรกโออีกเป็นนานนับไม่ถ้วน ตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของกรรมที่มันให้ผลในปัจจุบันแต่ถ้าเปรียบเทเียบแล้วมันน้อยกับอะไรกับการที่ต้องไปทรมานในนรกก็คือคือกรรมเนี่ยมันจะให้ต่างผลต่างวาระกันนะถ้าให้ผลในเวลาต่อต่อไปมันก็จะมีทบต้นทบต้นมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นนี่คือทั้งในทางดีทั้งในทางไม่ดีด้วยคือไม่ตียกตะนรกดีก็ขึ้นสวรรค์คือถ้าเราจะจะเลือกที่จะรับผลในปัจจุบันก็จะ มีมูลค่าน้อยเช่นอาจจะเงินไม่กี่ล้านโอ้ยแต่ถ้าไปชาติหน้าเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเนี่ยมันมากกว่าเงินไม่กี่ล้านนี่มากอาจารยนขออนุญาตถามลงละเอียดเพื่อความกระจ่ายนิดนึะคะว่าได้ไดนี่เท่ากับว่าความผิดหรือกรรมที่ได้ทำจำนวนเดียวกันได้รับทุกโทษเนี่ยถ้าในปัจจุบันเนี่ยจะได้รับน้อยกว่าถ้า ทิ้งไว้แล้วให้ไปรับในอนาคตอันไกลโพ้นเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วนั่นแหะค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถึงบาปกรรมที่มีประมาณน้อยแตนะ่บาปกรรมที่มีประมาณน้อยเนี่ยบางทีมันให้ผลมากได้หรือในทางเดียวกันบุญกุศลที่น้อยๆสะสมสะสมไปก็ให้ผลมากได้นะคือถ้า เช่นเดียวกันนะ่ะคือลักษณะการทบต้นเนี่ยก็จะมีคือครื่อนี้อาจจมาจะยืนยันโดยส่วนเดียวมันมันก็จะไม่สามารถทําได้น ะ, ะเพราะว่าเรื่องของวิบากของกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาจินไตนะวิบาก<อ>กรรมเนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งถ้าเราไปคิดแล้วเอ๊ะทำไมมันบางครั้งมันเป็นอย่างนี้บางครั้งมันไม่เป็นอย่างนี้แต่แต่นี่คือยกส่วนที่เป็นพุทธน์ที่พูดถึงในกรณีของท่านพระอังคุลิมานอาจินไตแปลว่าอะไรคะท่านอาจินไตแปลว่าเรื่องที่ไม่ควรคิด ถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้มีส่วนในความบ้าอ๋ อ, อเรื่องผลแห่งกรรมนี้ก็คิดไม่ได้เหรอคะมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งเรื่องของวิบาแกแห่งกรรมค่ะในวิบากแห่งกรรมมันคือผลนะผลไม่ใช่การกระทําในปัจจุบันนะคือเราทํากรรมดีอันนี้มันต้องทําอยู่แล้วแต่ผลที่จะเกิดขึ้นบางทีมันมันต่างกรรมต่างวาระคนที่สองคือเรื่องของวิสัยของผู้ได้ฌานเรื่องที่สามนี่ก็เป็นเรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้าและอันที่สี่ก็คือ วิสัยแห่งโลกในวิสัยแห่งโลกก็คือเรื่องของสังสารวัตโลกมันจะเป็นยังไงต่อไปทําไมเป็นอย่างนี้จักรวาลมายัางไงเป็นไปยังไงเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดนะจินไตเนี่ยเป็นเรื่องแปลว่าไม่ควรคิดนะถ้าเขาขยายความต่อไปก็คือว่าถ้าคิดแล้วจะเป็นบ้าได้คือมันเกินความที่เราจะไปคิดได้ เรื่องที่ไม่ควรคิดเดี๋ยวต้องพูดหลายครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเผลอคิดอยู่โคตรจะเป็นบ้านเนี่ยเฉาเรื่องของโลกโลกกับวิสัยเนี่ยเป็นเรื่องไม่ควรคิดถ้าพูดถึงว่าเรื่องของโลกไม่ควรคิดถ้าคิดจะเป็นบ้าเนี่ยคิดไม่ได้สักเรื่องเลยนะคะท่านคือคือถ้าคิดเนี่ยในลักษณะที่ว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดไปคิดไปเนี่ยมันก็ทำให้มันมันไม่ไม่มีสาระหรือว่ามันไม่สามารถที่จะหาทางออกอะไรได้ ค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าคิดแล้วมันอยู่นอกเหตุผลที่เราจะเข้าใจได้ก็อย่าไปคิดมันต่ออย่างนั้นหรือไงคะเ อ, อ่อสิ่งที่เราควรจะต้องมาทําความเข้าใจคือเรื่องของการปฏิปธรรมน ะ, ะมรเรื่องของมรแปลเรื่องของอนิสสีค่ะก็ท่องไว้ดีเหมือนกันนะคะท้าฟังคะเรื่องอจินไตยเรื่องที่ไม่ควรคิดคิดแล้วจะเป็นบ้าได้เนี่ยก็มีวิบากแห่งกรรมคือเราทำไอ้นี่แล้วเราจะได้รับผลอะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะใช่ป่วยการคิด ชาแมนเถอะผลมันก็ปรากฏออกมาเองนั่นแหละค่ะเรื่องวิสัยของผู้ได้ฌานอันนี้หมายความว่าอย่างไงคะดิฉันไปปฏิบัติเนี่ยแล้วก็มีคนอื่นเขานั่งปฏิบัติอยู่องข้างอๆแล้วดูท่าทางเนี้ยบมากดิฉันก็จินตนาการแต่ว่านี่สงสัยจะไปฌานที่สองที่สามที่สี่อะไรอย่างเงี้ย อ, อย่างนั้นหรือไงคะวิสัยของผู้ได้ฌานนี่หมายถึงพวกอิทธิฤทธิ์ต่างๆอทําไมพอเหนินบรรยากาศได้ทําไมหายตัวได้ทาไมรู้ว่าระจิตคนได้ กูเล่นกลหรือเปล่าคุณมีทริคอะไรโอ้ยคุณอย่าไปคิดเลยถ้าเขาได้ชาญจริงๆนะมันมันจะไม่สามารถหาคำตอบได้แล้วถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเป็นคนพูดถึงชาญของตัวเองนะคะอ่อวิสัยในที่นี้เนี่ยหมายความว่าผลของชาญที่เกิดขึ้นนะะอมค่ะอ๋อแล้วงั้นถามเรื่องคำถามเดิมเลยนะคะแล้วคนที่เขาจะบอกว่าอุยนื่องสมาธิเนี่ยวันเนี้นทยทะลุไปถึงตรงนั้นเลยนะอืม เราก็ได้ยินเสียงนะบอกตัวเองว่าเราได้แล้ว อ, อย่างนี้เป็นอะไรคะก็มันก็เกิดขึ้นได้นะเป็นสิ่งที่เขารู้ได้เฉพาะตนทีนี้ว่าคนที่ไม่ทราบหรือคนที่ไม่ได้เป็นหรือคนที่ไม่มีความสามารถในการที่จะรู้เนี่ยถ้าไปคิดแล้วมันจะมันจะมอนมันจะไม่ได้คำตอบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมฉันทำไม่ได้เราก็ไปลองทำฌานให้มันเกิดขึ้นเราก็จะสามารถทราบข้อมูลนั้นได้ อในอที่นี้หมายถึงอย่างนั้นใช่แล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นกับเราเนี่ยเราไปเล่าให้คนอื่นฟังนะผิดั้มคะท่านคะอ๋อไม่ผิดไม่ผิดก็แบ่งปันกันได้ไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าถ้าจะแบ่งปันกันก็ต้องกลับมาในในสขโขบในแพทเทิร์นของอริยสัจสีแต่ว่าอ๋อที่รู้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนของมรรคอาจจะไม่เจริญที่ไปรู้ตรงนั้นอ๋อนี่เป็นส่วนของทุกเนะี่ยต้องทําความเข้าใจ นะี่ยคือคือก็กลับมาจุดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเนะจะพูดเรื่องท่านา้ําความเจริญความรุ่งเรืองพระราชาหัวเมืองต่างๆพูดก็ต้องพูดให้อยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่ว่าอันเนี้ยคือทุก์อันนี้คือสมุทยัยอันนี้คือนิรยา น, น้คือมรรคก็ว่าไปในลักษณะนั้นมาถึงทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ใช่อก็จะเราก็จะสามารถพูดได้โดยจโดยพูดเป็นแนวทางแน ว, แนวทางธรรมะนั่นเองงั้นดีฉันเคยสังเกตนะคะว่า การทำงานของข้าราชการบางท่านในการนำเสนอรายงานในที่ประชุมหรือคนทำรายงานในการศึกษาขึ้นต้นหัวข้อวิจัยอะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะมีวิธีการเสนอเลยว่าเพราะมันมีปัญหาอย่างนี้คือทุกนะคะจึงต้องเกิดการค้นคว้าหาเหตุของมันก็คือสมุทรไทยใช่นะคะเพื่อ หาทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้นะคะก็คือเพื่อจะดับความทุกข์คือนิโรธแล้วก็วิธีการอ่าเขาเขาอย่างนี้อันนี้ถือว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ท่านกำลังบอกรอเปล่าเขาไม่ว่าจะคิดอะไรออกเนะี่ยต้องให้ออกไปในวิเคราะห์เชิงอริย ส, สัจสี่ถูกต้องมันก็จะไปได้อ๋อเหรอคะแล้วแล้วอย่างไรก็ตามนะไอการวิเคราะห์ในเชิงอริยสัจีเนี่ย ก็ต้องมาเรื่องของอยู่ในสัมมาอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดในตรงส่วนที่เป็นทางให้ไปถึงการแก้ปัญหาตรงนั้นอืมค <Okay. S 1> ่ะถ้าเกิดกลับมาถึงเรื่องของที่เราลองพูดถึงว่ากรรมเนี่ยบางทีมันให้ผลต่างวาระต่างเวลาคือคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยบางทีรู้เห็นธรรมะขั้นใดแล้วกรรมมันอาจจะมาตามทันได้ในชาติปัจจุบันนั้นๆ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีซึ่งเ่องอันนี้เอามาไม่ทราบนะแต่ก็คาดดาวไปเฉยค่ะเพราะว่าเรื่องกรรมในคนก็พูดกันตลอดเวลานะคะพอคิดอะไรไม่ออกก็บอกกรรม <laughs> <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นมีส่วนแห่งความเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสักยะทิฏฐินะ ค, นคุณยมติวแต่ถ้าเราสมมุติว่าบอกว่าเออเราเจอเรื่องอะไรอันหนึ่งก็บอกอรับกรรมไปซะรับกรรมไปซะแต่คนที่พูดอย่างนี้ หรือมีความคิดไปในแนวแนวนี้เนี่ยคุณยังไม่มีสมาธิติที่ถูกต้องร0 0เรซเพราะว่าผลของการบางทีให้เราเป็นสุขหรือให้เราเป็นทุกข์เนี่สมมติเราเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นผลของกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แต่ความคิดอย่างนี้เป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเนเพราะว่าทุกขเวทนาบางทีเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอบางทีเกิดจากเหตุแห่งอุตุ ฝนตกฟ้าร้องคุณไม่ได้ถือล่มไปเอาก็เกิดความไม่พอใจขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุแห่งอุตตรการตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเป็นเพราะว่าธาตุภายในกายน้ําดีหรือว่าธาตุาต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปหรือหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าอันนี้เป็นไปได้ค่ะถามาถว่าคุณคุณรู้ไหมอ่ะก็ะไม่รู้ถ้าไม่ได้ชานก็คงจะไม่ทราบล่ะก็คาดเดาไปพูดถึงแล้นะคะจริงๆบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอก ที่จะไปพูดให้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ก็คิดว่ามันก็สรุปได้ไม่ใช่มันสรุปไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันทําไมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยหาคําตอบสักอย่างหนึ่งที่ครอบจักรวาลคือคือคําตอบของเรื่องนี้คืออะไรก่อนเดี๋ยสมมุติว่าเกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบก็คือมีมีอยู่สองอย่างคุณโยมเติยวคืออะไรเป็นสิ่งที่ควรทําในขณะนั้น อะไรเป็นสิ่งที่ควรละในขณะนั้นคําพูดที่ว่าเเป็นกรรมเก่าแล้วไงแล้วคุณจะทําอะไรแล้วคุณจะละอะไรคสิ่งที่ควรทําเอาสิ่งที่ควรละก่อนก็พวกอคุิสทั้งหมดเราควรจะต้องละเช่นด่าเขาว่าเขาตอบหรือมิจฉาทิฏฐิอันนี้เราควรต้องละแสิ่งที่ควรทํำก็ให้มีสมาธิให้รักษาศีลให้รู้จักอดทนพวกเนี้เราควรต้องทำนะขณะนั้นที่เราเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อธิบายไม่ได้ก็ตามเถอะอย่างเงี้ ค่ ะ, ะถ้าเช่นนั้นนอกเหนือจากที่ท่านได้พูดไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับเรากำลังจะบอกกับทุกคนที่ชอบมีคำตอบเดียวในการแก้ไขทุกสถานการณ์ที่ไปต่อไม่ได้นะคะว่าอย่าไปพูดโทษกรรมนะเพราะเท่ากับกำลังจะเพาะมิจฉาทิธฐิในตัวเอง มีส่วนวมีส่วนจึควรจะทําอย่างไรก่อนคะหนึ่งสอสาสีเอาข้อแรกก่อนเราพุทธพจน์ที่พระพุทธเาตรัสในว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าคุณจะพูดพูดอย่างนี้ค่นะนีสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกทํากรรม ด, ดีก็ได้ผลดีทํากรรมชั่วก็ได้ผลชั่วก็เป็นอย่างนั้นแต่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะอันนี้เป็นพุทธพจน์ ด, ด้วยคือถ้าพูดต้องอ้างอิงพุทธพจน์ว่างั้นเถอะ อ, อันนี้มันจะรอบครอบกว่าไง คุณโยเนี๋ยวนี้าคือเราบอกว่ากรคำเก่าเนี่ยเราพูดคํานี้ไปเลยเนี่ยคือคือมันมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงแต่ถ้าพูดว่าสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมกรรมอะไรเราไม่ได้พูดถึงกรรมเก่าเลยนะเราพูดถึงกรรมที่เราทําในปัจจุบันกรรมนี่คือการกระทำนะไม่ใช่วิบากของกรรมนะไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นการกระทําที่เราทําอ่ะงั้นเราทําอะไรดีล่ะเราก็ไม่ทําชัว่วไงเราก็ทําดีไง มันก็จะมาถึงจุดที่อรมาได้พูดมาสครูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ควรละค่ะ no. mm hmm. นะคะเพราะนั้นเพื่อให้ปิดโอกาสแห่งการจะให้เป็นมิจฉาทิฐิพูดเป็นพุทธพจน์ดีกว่าเป็นสัจจะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมบาลีเขาว่ากามูนาวัตตีโลโกจริงๆคนไทย จะรู้จักคำนี้ <ละ S 1> มากเลยนะครับบางทีมีเพลงลูกทุ่งเลยค่ะท่านคะรร <laughs> มุ่งวัตติโลโก้ใช่เราก็ได้แง่มุมอีกอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนจะอ้างกรรมคิดให้ดีนะคะว่าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องมันเลยร้อนหรือเปล่า <laughs> หรือกระตอบด้วยพุทธน์ค่ะทีนี้เราจะผ่านเรื่องของอ า, อาจินไตกันไปก่อนนะคะก็ เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งเวลาที่เหลืออยู่น่าจะพอตอบได้นะคะเียนบาส่งมาทางเว็บไซต์เพียรธมาออันนี้ค่ะบอกว่าการที่เราทำกิจการร้านอาหารขนมนมเนยทั่วไปคนถามขึ้นมาชื่อคุณสิรินะคะแต่เราไม่รับประทานอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เลย แม้แต่นมเนยต่างๆคือเหมือนว่าทําอาหารแล้วปรุงอาหารด้วยผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ตัวเองเนี่ยไม่รับประทานนมเนยใช่ไหมคะใช่ขณะเดียวกันก็จาเป็นต้องโพสต์รูปหรือข้อความในเพจของร้านเพื่อชัดชวนให้คนมารับประทานอาหารนั้นจะทําให้เสี่ของระบบพร่องไปหรือไม่เพราะเราก็ไม่ได้เชื่อว่าอาหารนั้นดีจริงแต่การโพสต์นั้นบอกแต่ว่ามันอร่อยน่ารับประทานไม่ได้บอกว่าดีต่อสุขภาพจะถือว่าเป็นการบายเบี่ยงเลี้ยวลด ยังไม่ทําให้ศีลด่างพร้อยได้หรือไม่เนาะคะเอ่อพูดถึงเรื่องของศีลก่อนนะคือเอาเอาข้อมุสาวาทที่เราพูดถึงว่าการโกหกแกล้งกล่าวเท็จเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำนี้คําว่าแกล้งกล่าวเท็จเนี่ยหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นนะได้ยินบอกไม่ได้ยินอไอ้ที่ไม่ได้ยินเนี่ยบอกได้ยินอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยคือทั้งเห็นได้ยินรับรู้สึกได้อะไรต่างๆในทางอาิจตนาทั้งหลายนะ แล้วเราบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าโกหกเต็มๆ ok อันนี้คือสินค้าแน่นอนอันนี้คือไม่ไม่ดีซึ่งในที่นี้เราไม่ได้บอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพหรือบางทีเราได้ข้อมูลผิดแต่เขาสอนกันมาเนี่ยว่ากินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วมันจะดีเอ๊ะแต่จริงๆมันไม่ดีนะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็บอกดีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็บอกไม่ดีเอ๊ะแล้วมันอันไหนมันดีกันแน่ถ้าสมมติเราเชื่อนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่เขาบอกว่าดี เป็นสิ่งที่ควรตําหนิหรือไม่มันก็อยู่ที่ว่าคําพูดของเขาเป็นซัจารือเปล่าค่ะทีนี้เราก็เลยต้องมาเช็คกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันละ่ะเอ๊แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องว่ากินอะไรแล้วมันจะดีหรือไม่ดีใช่ไหมก็มีพูดถึงเรื่องการไม่เบียดเบียนสัตว์อันนี้แน่นอนพูดถึงเรื่องของการที่บริโภคแต่พอประมาณอันนี้ดีแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องพิจารณาดูคือถ้าเราไม่ได้โกหกเต็มๆ เ, เลยอ่ะอันนี้มันไม่ผิดศีลอยู่แล้ว แต่ส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ก็คือว่าเกี่ยวข้องกับการค้าขายเนื้อสัตว์นะพูดถึงว่าการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายสัตว์การค้าขายอาวุธการค้าขายยาพิษนะสีการค้าขายเนี่ยเป็นการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยงนะถ้าคุลเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าการค้าขายที่หลีกเลี่ยงคํานี้ไม่ได้หมายว่าคุณผิดศีลนะไม่ได้ผิดศีลแต่ควรหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นขายข้าวผัดหมู ก็าขายหมูนี่เนาะก็ควรหลีกเลี่ยงตามบุตบศตรายพวกนมเนยพวกนี้เอาก็ขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนาะก็ควรจะหลีกเลี่ยงตามที่เป็นบุตบศแต่ว่าไม่ได้ทําให้สินขาดนะอืแต่ถ้าเราไม่ได้โกหกในขอ้อมูลสาอย่างทีง <anime S 2> ่ว่าก็แปลว่าคุณสิริเนี่ยเป็นคนที่กําลังพยายามรักษาศีนให้ไม่ด่างพร้อยจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วในเรื่องของการโฆษณาถ่ายรูปให้มันสวย แล้วก็โพสต์ขึ้นอย่างนี้แล้วก็มันของจริงนะคือเราก็ไม่ได้แต่งขึ้นมาในลักษณะที่ว่าอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปอย่างเงี้ยนะแล้ววัสดุที่ใช้มันก็อยู่ที่ว่าเราก็ไม่ได้โกหกว่าเราใช้อันหนึ่งแต่จริงๆใช้อีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่เป็นการโกหกละค่ะอืมจริงๆถ้าจะคิปเนี่ยดิฉันคิดว่าเอ่อคนเราคงจะทําอะไรลําบากมากขึ้นจริ ง, รงๆเลยนะคะ เพราะบางเรื่องเราไม่ได้มีเจตนาแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยพอจะมาตั้งใจรักษาศีลใหม่ๆจะเกิดความรู้สึกมันเกงรงไปหมดเลยอันนี้มันเป็นธรรมดาคุณโยมดิเพ <c oughs> ราะว่าเอศีลเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติ <c oughs> คือหมายถึงสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นบางทีเราเราทําเป็นปกติในเรื่องของมันมันไม่ใช่ปกติของคนที่เขาทํากันะ่ะเราก็เลยพยายามจะต้องปรับ้นะปรับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นปกติของชีวิตของเรา ตรงนี้ก็อาศส่การปรับบ้างรแรกมันก็จะฝืนหน่อยตัวกระแสนหน่อยอย่างเงี้ยะนธรรมดากคงจะทำให้สบายใจขึ้นดีเยอะ<ช>จะว่าไปนะคะท่านคะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถึ้งเข้าใจว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเขาก็ทำกันทั่วไปหมดแล้วก็เรื่องพวกเนี้ยบางทีมันก็เสี่ยงเกินจริงบางทีไปทานอาหาร ภาพอย่างหนึ่งเลยพอปรุงออกมาเสร็จมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะหน้าตาแต่เราตัดสินใจซื้อเนี่ยเราตัดสินใจซื้อด้วยภาพที่บอกออใช่ใช่หรือบางทีอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเรื่องทานไข่คอเลสเตอรอลท่านเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยิน อ, อยู่ช่วงหนึ่งคอเลสเตอรอลนี่เป็นอันตรายต้องจํากัดการรับประทานไข่ตอนนี้ก็มีข้อมูลใหม่แล้วนะคะว่าคอเลสเตอรอลจากการรับประทานไข่ต้องแยกกันออกมาจากไอ้ที่ร่างกายผลิตได้เองอืแล้วก็สรุปว่าถ้าคนแข็งแรงเนี่ย วันหนึ่งทานได้หกฟองอแล้วก็แล้วก็ข้อมูลพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลงานวิจัยที่เขาคิดกันใหม่นะคุณยมเียวใช่ค่ะดิฉันก็จะกล่าวเรียนท่านว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้นั่นดีเดี๋ยวไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งดิฉันสังเกตอ่ะเขามีวิธีการโฆษณานะคะว่าสมมติหน้านี้จะพูดถึงเขียนเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของนักเขียน เชียว่าอย่างนู้นดีอย่างนี้ดีและอีกหน้าหนึ่งขายของแอบแฝงอะค่ะอืมอมนั่นแหละนั่นแหละใ น, นลนักษณะนั้นทีนี้ว่าถ้าเรามากลับมาที่คําสอนของพุท ธ, ธเนี่ยค่ะสิ่งที่เรื่องของการรับประทานรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยเป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวค่ะและคือการที่เรารู้จักพิจารณาแล้วจึงบริโภคไม่ว่าคุณจะบริโภคอะไรก็ตามเน่ถ้าเป็นกรณีพระสงฆ์ก็เนื้อบางประเภทห้ารับประทาน ถ้าเป็นกระวาร่าถ้าคุณซื้อมาด้วยเงินที่ถูกต้องอันนี้คุณก็พิจารณาก่อนการรับประทานเนี่ยไม่มีทางผิดเลยแต่ไม่ว่าผลงานวิจัยจะออกมาเป็นอะไรก็ตามมีสตินะคะรู้จักประมาณในโภชนา ท, นที่ได้มาที่ได้มาจะมีเวทนาเบาบางแก่ช้าอายุยืนถูกต้องถูกต้องดิ๋ยนนั่งทองเลยเพราะชอบมากแต่สารภาพกับท่านนะคะื่อในขณะที่เราชอบ ดิฉันแพ้กิเลสแ่วันนี้แล้วชอบชอบพุทโพจต์โหยดีจังเลยจะเอาไว้กำกับพฤติกรรมของตัวเองแต่เอาเข้าจริงๆเยค่ะกิเลสเวลามันจะชนะเราเนี่ยมันชั่วอ่ามันนะคะคือมันมาเนียนๆแล้วก็มันเวลาอาหารถูกลิ้นแล้วมันไปเรื่องใหม่แล้วมันซืบเลยค่ะพอตัดสินใจว่าทานก่อนซืบเลยนั่นแหละเพราะงั้นตรงนี้ในเรื่องของลิ้นเราจะต้องฝึกอยู่หนึ่งนิด ค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันสมควรหรือไม่สมควรแต่อยากถามจริงๆในเวลาที่เหลืออยู่สั้นๆนะคะว่าการเป็นเพื่อส่งนะค่ะจะต้องระมัดระวังมากและประทานอาหารมือสมมุติมื้อปานะอย่างเงี้ยนะคะยามบานทํายากแล้วท่านทําอย่างไรอะคะพูดถึงจะได้ประครับประคองไม่ให้กิเลส ท, ที่สามารถจะมาวัยแบบฉกอย่างที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะะยามบานั้นนี่ก็คือว่ากินเพื่อระ ง, งับเมตนาเท่านั้นเอง นืเวทนาในท้องมันอาจะมีแบบรู้สึกไม่สบายกินไปสักสองสามคำก็พอแล้วอ่ะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าพระเนี่ยมีวินัยกํากับว่าทําให้เช่นนั้นแล้วต้องผิดวินัยแล้วต้องไปแก้เป็นบาปแบบไหนนะผิดต้องถูกลงโทษอย่างไงหรือเปล่าตอนนี้ก็จะเป็นอาบัติที่ทําให้กุศลธรรมตกลงลงไปเป็นบาจิตตีค่ะอืมทีนี้ว่าในในเรื่องตรงนี้ก็คือมีฮิริอุตปาอันนี้ช่วยเราได้ มีสถัทานในคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยเราได้ ค, คือพระที่บวชมาเนี่ยถ้าตั้งใจจริงก็คือต้องการจะรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้ารักษาศาสนาเพราะฉะนั้นจะรักษาศาสนาก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนที่มันดีอย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องถ้าเราเห็นไปมองพุ่งไปตรงสามัญเหตุผลคือผลที่จะเกิดขึ้นเช่นการเบากายอ ย, าอย่างที่อรหันชนะไดะ้เพราะว่าเห็นความที่กายเบาเนี่มีค่ามากกว่า ลิ้นที่อะไรค่ะคือเห็นเห็นประโยชน์มากกว่าโทษแล้วก็ อ, อืมเลยเห็นอุบายเครื่องออกอย่างนั้นเหรอใช่ใช่เห็นเห็ น, หนความที่มีเป็นสามัญญผลผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยน ะ, ะเห็นว่าตรงเนี้ยมีค่ามากกว่าไอความอร่อยลิ้นนิดหน่อยค่ะตรงตรงนี้อะไรมาจะยกตัวอย่างมาประมาณที่พระเจ้ า, า ย, ยกเปรียบเทียบให้ฟังสั้นๆตรงนี้ได้แต่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเหมือนกับว่า ช้างช้างตัวใหญ่ที่ผ่านศึกสงครามมาแล้วมีงางงอน ง, านงาน่ามีพลังมากนะเขาเอาโซ่ล่ามาไว้เอาเชือกป่านล่ามาไว้ผูกไว้กับเสาอย่างดีเนะชือกนี้มั่นคงมากเลยนะแต่ถ้าช้างตัวนี้มีพลังมากเนี่ยมันขยับบื้มเนี่ยหลุดแน่นอนโอเคนะ น, นี้ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่สองเอานกมูลไถมาผูกไว้กับเถาหัวด้วนเถาหัวด้วนนี่คือเถาที่มันไม่มีรากแต่มันยาวๆไล่ไปตามพื้นดิน แล้วเขาก็สามารถจับนกเนี่ยเลี้ยงไว้ให้ลูกเล่นอะไรต่างได้เถ้าหัวด้วยมันไม่ได้มีรากอะไรที่มันจะยึดถือได้ด้วยซ้ําแต่มันสามารถจับนกได้สองตัว อ, อย่างอุปมาประมาณนี้พระพุทธเจ้าเบรบเที่เพื่อให้ดูว่าคนที่มีกําลังจิตน้อยเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับนกมูลไถถูกเครื่องปลูกอะไรเล็กๆน้อยไปไม่ได้ติดแน่นเลย<อ>ไปไม่ได้แต่คนที่มีกําลังจิตมากเหมือนช้างตัวประเสริฐของพระราชาเนี่ยต่อให้ถูกผูกแน่นด้วยเชือกป่านฝังไว้กับเสาก็สลัดหลุดได้ค่ะ อยงนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านเจริญบานแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังครับเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันในเรื่องใดได้ก็รับเอาไปปฏิบัติกันเลยนะคะจะได้ทําให้ไม่ต้องรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันแยกส่วนจากชีวิตประจําวันทําให้เราต้องมีภาระมากขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งหรือว่ามันยากเย็นเข็นใจอีกอย่างหนึ่งกราบท่านสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญบาน นักฟังครั บ, รบพระเพรบุตรพี่ปุณโณ น, นะคะท่านก็อยู่ที่วัดป่าดอนายโศกจังหวัดอุดรธานีเมตตากรุ๊ปผู้ฟังและดิฉันนะคะในการเยี่มาให้ธรรมะโดยตลอดมาและในวันพรุ่งนี้ท่านก็ยังจะมาพบกันกับท่านผู้ฟังทั้งหลายพร้อมท่านดิฉันที่นี่ต่อนะคะสถานีวิทีคุครอบครัวข่าวเอ106รายการสัมสีิย์สมทนาดิฉันสัมสนีริย์นาภงลาไปประเพียงเท่านี้ค่ะทุกๆสวัสดีค่ะ